อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเ mm. ช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนะคะเสาร์ที่10มีนาคม2555ค่ะ mm. วันนี้ก็เป็นวันแรมสามข้าเดือน4ี่แล้วนะคะ mm. พบกันในเช้าวันนี้เดชันก็จะทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะ mm. นํามาสนทนาธรรมะ พระอาจารย์ไพบูรลอภิพุโ น, โนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริกรนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะของวัดป่าดอนหโศกนะคะซึ่งก็มีพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรศาสตราธิโทภาโสหรือท่านพระครูณสิทธิประภกรท่านาเป็นเจ้าอาวาสค่ะอยู่ที่ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนโน่นเลยนะคะแต่อย่งไรก็ตามท่านก็ เมตตาที่ว่าจะมาสาักฉาหรือว่ามาสนทนาธรรมะโดยมีนั้นได้ร่วมมีบุญที่จะได้สนทนาสักถามแทนท่านผู้ฟังเนี่ยทุกๆเช้า ว, วันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการธรรมารับอรุณ น, นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการ พระอาจารย์ไพบุตรแลพิพุโหนพร้อมกันเลยนะคะสาหรับในเช้าวันสารนี้กลับนมัสมการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเย็นพาสาธุเจ้าค่ะยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้มาคุยในวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเนี่ยสังเกตได้ว่าในระยะหลังๆนี้เนี่ยก็จะเกิดมีเรื่องราวความไม่ลงรอยกันของบรรดานักเรียน โดยเฉพาอย่างยิ่งที่เรียนด้านช่างกล น, นะเจ้าคะแล้วก็มีข่าวให้เกิดความเศร้าสรดในใจของคนไทยเราทั่วไปก็คือว่าโดยที่มีการอาจจะยกพวกตีกันหรือว่าบางทีรถเมย์ผ่านมาก็ยิงขึ้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็ทำให้ทั้งนักเรียนซึ่งเรียนโรงเรียนต่างกันนั้นเนี่ย โดยที่ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ก็เหมือนกับว่าเขามีค่ะความเครียดแค้นชิงชังบอกต่อๆกันมาอย่างไงก็ไม่ทราบนะเจ้าคะอันนี้เจ้าค่ะยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะให้ธรรมะดีๆแกบ่บรรดาน้องๆนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังมีความเครียดแค้นชิงชังหรือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ถูกไม่ถูกชะตาเลย ถ้าเปิดเป็นโรงเรียนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกันโดยส่วนตัวก็ถึงกับทำร้ายกันถึงชีวิตเนี่ยเจ้าค่ะมีมนเจ้าค่ะเออก็ต้องเข้าใจปัญหาก่อนนิดนึงเจ <S S 2> ้าค่ะหรือว่าไอ้ปัญหาความเครียดแค้นหรือตามความไม่แบบมองหน้าแล้วมันก็ไม่พอใจเนี่ยเจ้าค่ะมันมาจากอะไรก่อนเจ้าค่ะแต่คือทั้งหมดเนี่ยมันจะมาไหลรวมที่ใจล่ะสมมติว่าเราเห็นภาพไอ้หมอนี่ใช่ไหมเห็นเห็นเห็นสิ่งสักสิ่งในสิ่งหนึ่ง นีสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือผัสสะเนคือมันมีอะไรมาสัมผัสที่ตาเราชใช่ไหมพอมีอะไรมาสัมผัสที่ตาเราแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นคนหรือเป็นสุ น, นัขหรือว่านี่เป็นป้ายโรงเรียนอะไรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นขัดมาเนี่ยคือสัญญาคือความหมายรู้เจ้าค่ะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาเขาตาบอดอย่างเงี้ย <Gold. S 1> เขาก็จะไม่มีสัมผัสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขามีตาแต่เขาไม่มีความหมายรู้ว่าอันนี้มันโรงเรียนอะไรหรือเป็นใครเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาใคร เพราะว่ามันมีสัญญาคือความหมายรู้เนี่สัญญาคือความหมายรู้เราจำได้ว่าโออันนี้มันคนนี้เรื่องราวอื่นอื่นนยมันเคยมาก <จ uk S 2> วนใจเรานะทำให้เขาเกิดความไม่พอใจสมมติคนที่ชอบก็จะเกิดความพอใจใช่ไอพอมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีเวทนาเวทนานี่คือความสุขความทุกข์ความไม่ทุกข์ไม่สุข คือความรู้สึกที่ชอบใจบ้างความรู้สึกที่ไม่ชอบใจบ้างหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือไม่ใช่ทั้งสุขทั้งทุกข์ค่ะซึ่งพอเกิดขึ้นตรงนี้เ้าทำยังไงเขาก็จะมีการที่เรียกว่ า, ากระทานะจะเป็นวาจาก็ตามจะเป็นกายก็ตามนั่นะคือตอบสนองไปนะตอบสนองไปตรงนี้ก็คือการปรุงแต่งสังขารลนะตอบสนองไปว่าฉันจะ ด, าดจะ่ามันดีฉันจะฆ่ามันดีหรือฉันจะทาอะไรกับมันดี มันก็จะเป็นรูปลักษณะของการทำงานกระบวนการตรงนี้ถึงีถ้าเราจะหยุดกระบวนการตรงนี้เราจะเข้าไปหยุดตรงไหนเราจะทำยังไงได้นะก็พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเอยอย่างคนที่เขาไม่น่าไม่พอใจกันเนี่ยนะคือมันไม่ได้เหตุอะไรกันมากนะมันก็แค่ว่าบางทีฉันไม่พอใจเธอเธอผิวดาไปรหรือว่าทาไมเธอหน้าทรงเป็นอย่างนี้ นะนั่นมันก็แค่ น, นี้เองะนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปยึดถือไปอุปโลงเอาขึ้นมาเองเจ้าค่ะอย่างสมมุติว่าเรื่องสัญญาคือเรื่องสัญญาคือความหมายรู้แล้วเขาจะเอาสัญญามาใส่หัวเรามามามาให้เราจําได้ระลึกได้จําได้หมายรู้ว่าเอาอเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เอามันเป็นอย่างนี้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อเจ้าค่ะซึ่งทําให้มันมีปัญหาอยู่กันต่อต่อเรื่องมาทั้งที่รุ่นน้องเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรกันมาด้วยเลยเจ้าค่ะนั่นมันก็กลายเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาอย่างอย่างพังพรน เฮ้พัพรก็ไม่ได้ทําอะไรกับงูนะแต่พอไม่เห็นกันมันเห็นกันไม่ได้มันอาจกันเต็ทีก็ไม่รู้มันเป็นอะไรหรือหมีกับอ่าเขามีสัตว์อะไรอ่ะที่เขาไปว่าเป็นคู่ที่จะต้องหมีกับพึ่งไหมเจ้าค่ะหมีกับพึ่งหรือว่าหมีกับต้นไม้อะไรสักอย่างหนึงที่มันจะเห็นกันไม่ได้เลยมันต้องอัดใสนะหรือว่าเป็นสัตว์อะไรที่มันเป็นคู่อะแค่กันมาก่อนอย่างเงี้ยทั้งนี้ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะบางิงก็แปลกเหมือนกันนะมาเห็นอย่างเงี้ยอ่าชิคกี้พายพัพรกับงูเงี้ย พงพลก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ว่าจะทําร้ายอันตรายร้ายใครอยู่แล้วพอเห็นงูปุ๊บใส่เลยออืก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรคือมันเป็นเรื่องของสัญญาที่มีมาในแต่เก่าก่อนมันเป็นเวรกรรมเก่าว่าสัญญาที่มีมาในแต่เก่าก่อนเนี่ยคือความหมายรู้ที่มันมายทีนี้ไอ้ความหมายรู้ในอดีตเนี่ยความหมายรู้ในอดีตนะเราพูดถึงว่าอย่างสมมติว่าฉันเคยทําอย่างนี้กับแกแกจําแค้นฝังหุ่นเลยจําแค้นฝังหุ่นเสร็จแล้วยังไม่พอแกยังปลูกฝังลูกหลานแกอีกแต่ถาไม่แกนี่ ลูกหลานแกก็กลายเป็นคนเหมือนแกใช่ไหมมันไหลมาเรื่อยๆแหละแม่เรื่อยๆจนกระทั่งคือเรื่องหนึ่งบางทีมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้ะก็ยังยังไม่หายเจุคาพระชาตบอกว่าอดีตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วเราเราไม่ควรจะไปหวังอะไรในอดีตคือถ้าเรามีความหวังว่าเอขอให้รูปในอดีตเป็นอย่างนี้ขอให้สัญญาในอดีตเป็นอย่างนี้ขอให้สังขารในอดีตเป็นอย่างนี้ขอให้วิญญาณในอดีตเป็นอย่างนี้ แห่พูดไปนี้ก็จะสับศาสนาเต็มที่เ <c oughs> เราพูดภาษาคนเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติ เ, เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความปรารถนาเต็มที่เลยว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้แสดงว่าคุณยังมีความยึดถือในรูปเบธนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณที่ยังเป็นอดีตค <c oughs> ่ะเพราะว่าคุณยังปรารถนาสิ่งที่เลยไปแล้วให้มันเป็นอย่างอื่น่ะซึ่งเหมือนแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้แล้วเจ้าค่ ะ, ะแล้วเราไปยึดถือเขาโดยความเป็นตัวตนเราไปยึดถือเขาด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยคุณจึงมีปัญหา คือปัญหาไม่ไอยู่ที่อดีตที่ผ่านมานะ่ะก็ใช่ไหมมันอยู่ที่ความยึดถือที่คุณเข้าไปยึดถือคืออดีตยังไงมันผ่านไปแล้วคุณเสียใจเจ้าค่ะอะเอาผ่านไปแล้วทําไงก็ไม่มีผลแล้วนะคือจบไปแล้วนะแต่ถ้าคุณไปยึดถือในสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมันจะกลับมาหลอกร้อนหลอกร้อนเราอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะทําไงทําให้ปัจจุบันเขาอยู่ไม้เป็นสุขอืเพราะฉะนั้นอดีตนี่แหละจึงจึงมาตามหลอกร้อนคือคืออดีตเนี่ย มันมีอยู่อยแล้วนะคุณตระใจนึกออกไหมไม่ว่าใครๆเขาก็มีอดีตทางนั้นอ่ะเจ้าค่ะจันจะทำให้บางคนอดีตไม่มาหลอกหลอนเขายกเว้นบางคนที่นี่ที่มันหลอกหลอนนี่ทำไมเป็นไงเพราะมันเป็นไปอำนาจตามความยึดถือไงเจ้าค่ะความยึดถือเนี่ยคือปัญหาที่มันแบบทําให้มันมีปัญหาในโลกนี้นะเจ้าค่คือความยึดถือความยึดถือนี่มันจากอะไรทําไมคนยึดถือก็เพราะมันมีความอยากแต่ความอยากว่าอยากทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่คืออยากอยากในกามเจ้าค่ะแล้วก็อยากที่อยากให้มี อยากให้ไม่มีในอยากมีอยากเป็นอันเนี้ยที่สองอยากไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอันเนี้ยที่สามคือความอยากนี่ก็มาจากเวทนาคือความรู้สึกในความรู้สึกสที่ชอบความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทูกไม่ใช่สุขค่ะตรงเนี้ยกระบวนการตรงเนี้ยเราต้องดับที่เวทนาค่ะคือเราจะดับที่เวทนาก็จะเราจะดับที่ตัณหากันแหคือพระเจ้าเนี่ยเคยพูดถึงการทํางานของจิตตรงนี้นี่นะที่เราพูดภ่ษาคุณว่ามีภาษาใช่ไ่ะมีภาษาแล้วก็ มีสัญญาใช่ไหมคือความหมายรู้มีสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมพอมีความรู้สึกแล้วก็จะเริ่มมีตันหาแล้วว่ า, อ, าอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรเราจะหยุดสองจุดนี้ได้ตัางหากเราจะไปหยุดจุดอื่นไม่ได้นะสมมติเราจะไปตามแก้อดีตหรือว่าเราจะไปออกกฎหมายหรือว่าเราจะไปให้มีตำรวจมาคุมอยู่ตลอดเวลาติดตั้งกล้องอะไรต่างๆคุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุค่ะแก้ที่ต้นเหตุจะแก้ได้เนี่ยคือคุณต้องแก้ที่จิตของแต่ละคนสมมติเราเกิดเวทนาขึ้นเฮ้ยฉันเริ่มไม่ชอบแกเล้เว้ยเราต้องนนนีัตรงง้้ ตัดยังไงเราต้องให้เห็ น, นว่าไอเบตนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเราจะคลายกำหนัดได้คือเห็นตามที่เป็นจริงได้นะก่อนนะเห็นตามที่เป็นจริงแต่คุณจะเห็นได้คุณจิคุณต้องเป็นสมาธิสิคุณจะเป็นสมาธิได้คุณต้องฝึกแต่คือหมายว่าให้มีสติอยู่ในลมหายใจบ้างอยู่ในเครื่องมือเครื่องใดอะไรสักอันใดนหนึ่งที่จะทำให้จริงของเราเป็นสมาธิได้เพราะฝึกไปอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจิตเราจะไปสมาธิเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางความรู้สึกตรงนั้นได้ปล่อยวางความรู้สึกไม่ใช่หมายความว่าเรื่องราวมันจะไม่เกิดนะไม่ใช่หมายว่าเราจะจําเรื่องราวไม่ได้เราจําได้อยู่แต่มันไม่ยึดถือเราไม่ยึดถือต่อไปเราจะไม่ยึดถือว่าอันนี้เป็นของเรามันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็อย่างั้นไม่ได้ก็มันจะเป็นอย่างนั้นหรืจะเป็นยังไงก็แค่เราปล่อยวางความยึดถือหรือปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้หรือเราไปปล่อยวางตรงความอยากก็ได้ค่ะว่าถ้าคุณจะปล่อยวางความอยากยังไงอยากให้มันเป็นยิ่อยากให้เป็นอย่างนั คุณก็อา่านไปทางอื่นไปสนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าคือนักเรียนอาจจะว่างมากไม่มีกิจกรรมทำชั่วโมงมีแต่ชั่วโมงแบบที่ทําไปทําเองใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นเราต้องหากิจกรรมให้นักเรียนทําที่จะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใครคือไม่ไจำเป็นต้องว่ากิจกรรมปรองดองก็ไปเจอกันเจอกันเดี็กมันก็ปีกันอีกอย่าให้ไปเจอกันคะให้ไปทำอย่างอื่นเลยให้ทําอื่นที่มันดีมีประโยชน์นะทําโครงการช่วยเหลือชาวบ้านอทําโครงการอ สร้างโรงเรตามบ้านนอกคคอย่างนี้ก็ท้าเป็สิ่งที่ดีๆมียายะให้ทเราก็จะสามารถคลายตันหาจากเรื่องนี้ไปได้แล้ววิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีด้วยนะคุณเดิน ใ, นใ จ, จคคเช่นว่านอกจากเราจะให้มาดับที่เบญธนาดับที่เบทนากับดับที่ตันหาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการหลักการตรงนี้จะนําไปถูกวิธีการปฏิบัติได้หลายอย่างเช่นว่าเราก็ให้ไปทําบําเพ็ญประโยชน์บ้างหรือเราให้ไปนั่งสมาธิบ้าง เราให้ไปจัดทํากิจกรรมแรงต่างๆที่ไม่ให้มันต้องเกี่ยวข้องกันค่ะไม่ให้เด็กเขาว่างเกินไปอแล้ว ก, การที่เราจะมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยนะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยผลการเรียนดีขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องไม่ต้องตีกันอย่างเดียวคือมันจะมีก็ เ, เรียกว่าผลประโยชน์มากมายทีเดียวใช่ค่ะทีนี้ในกระบวนการที่ว่าหจะจับเด็กมานั่งสมาธิเลยเหรอ มันเป็นไปได้ไงอย่างกับลิงซึ่งซึ่งมันจะยากซึ่งเราไม่ได้ต้องพูดถึงว่าคุณจะต้องจับเด็กมานั่งสมาธิผูกเข้อไว้อะไรเงี้ยนะเราแค่กิจกรรมที่ทําให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมีหลายอย่างนะคุณเตจาร์จบางทีเราเดินจงกรมก็ได้แตบางทีเราพูดถึงการไปทํางานภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสอกแซดเรื่องธรรมะอยู่ดสอดเวลาก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองประสงค์เลยธรรมะก็ได้ด้วยในกิจกรรมอื่นๆเราก็ได้ด้วยสอดแซกกันไป ทนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ครูอาจารย์ด้วยนะครูอาจารย์เนี่ยจะต้องคอยเป็นผู้ที่อดทน<ม>คื อ, ค, อคือตรงเนี้ยที่เขามีปัญหากันเนี่ยอย่างน้อยแนย่ๆอย่างหนึ่งที่เกิดเกิดขึ้นนะคืออดทนไม่ไหวเจ้าค่ะอดทนไม่ไหวเนี่ยมันก็มีตัวอย่างหลายอย่างคือบางทีอาจจะในโรงเรียนอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาอดทนไม่ได้เจ้าค่ะอดทนไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่ามีคนมาดา่าแล้วคุณอดทนไม่ได้อย่างเดียวนะมันทุกอย่างคือความอดทนเนี่ยเป็นเป็นพลังกล้ามเนื้อที่มันเอาไปใช้กับทุกอย่างเจ้าค่ะเมื่อเจอความร้อ คุณมีอดทนคุณอดทนความร้อนได้คุณเจอคําด่าคุณมีความอดทนคุณอดทนความด่าได้อคุณเจอความหิวคุณมีความอดทนก็คือไอคอนอดทนอันเดียวกันกับที่เจอคําด่าหรือว่าเจอความร้อนคุณก็อดทนความหิวได้เจ้าค่ะเะฉะนันถ้าพูดว่าคุณเจอสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่คู่ต่อสู้แล้วคุณอดทนไม่ได้คุณอย่าไปหวังว่าคุณจะไปอดทนคู่ต่อสู้ได้เพราะว่ามันเป็นอดทนกั้มในเดียวกันเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในในสังคมเราใน สังคมแม่ล้อมของเขาอะนะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านเนี่ยมันจะต้องฝึกอดทนตั้งแต่ตรงนั้นเลยคถ้าเขามีตัวอย่างอะไรที่มันทําให้เขาไม่อดทนอย่างเงี้ยต่กากันว่าการเล็ก ๆ, ๆ้ๆในบ้านเออนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นเหตุที่ให้มาเป็นเชื้อของการที่ด่าว่ากันภายในโรงเรียนนะทุบตีกันใะนปัญหาในรถเมย์ตา่างๆตามมาเป็นป ร, รวน่ ว, วนลักษณะนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นบรรดาน้อง นักเรียนที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะบาะแว้งกันจนกระทั่งถึงกับทำร้ายร่างกายกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพียงแต่ว่าน้องๆทั้งสองฝ่ายนั้ น, นยอยู่คนละโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้ น, นก็อาจจะมีเรื่องเบื้องหลังมาที่รุ่นพี่บอกต่อๆกันมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทําให้ปลูกฝังสิ่งที่เป็นความคิดยึดถือ ความเคียดแค้นจริงชังก็ยังมีอยู่นะเจ้าคะ่ะอย่างที่พระอาจาร ย, ย์ไพบุญได้เมตตาได้ชี้แจงมาแล้วทีนี้ยมอยากจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนโ ต, ตรงนี้เจ้าคะ่ะว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเจ้าคะ่ะยมได้ยินหลายครั้งที่มีข่าวเรื่องอาการที่ลูกเนี่ยโดนลูกลงนะเจ้าคะ่ะทั้งทง ท, งที่เด็กที่ไม่ใช่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาเลยแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กเรียนแต่เพียงแต่ว่าอยู่โรงเรียนนั้นเท่านั้นเองเนี่ย ก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้สัมภาษณ์ว่าขอให้ลูกเนี่ยเป็นรายสุดท้ายของการที่จะโดนแบบนี้นะเจ้าคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้จัดกิจกรรมที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กๆไปอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมานั้นเนี่ยทางฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เองและครอบครัวเองเนี่จะสามารถ กล่กลาจิตใจลูกของตนเองได้โดยเอาธรรมะเข้ามาลูกเนี่ยเจ้าค้าก็คือมากล่อมเกลาจิตใจเข้าได้ในบทไหนอย่างไรบ้างเจ้าค่ะที่จะทําให้ลูกของตนนั่นแหละปลอดภัยอยู่ได้แล้วก็ไม่ไปบุกมุ่นหรือว่าไปหลงอยู่ในวังวนของอความรู้สึกมไม่ว่าจะเป็นนิบอลอะไรทั้งหลายแหละภาษาที่มาโดยรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเออถ้า จะบอกว่าให้พ่อแม่ไปสอน ร, รือพ่อแม่จะใช่ทำบทไหนเนี่ยนะเจ้าค่ะปะัญหามันอยู่ที่ว่าพอพ่อแม่พูดแล้วลูกก็ไม่ฟังตัวใจอืมเจ้าค่ะพูดไปแล้วก็เหมือนกับเทอะไรลงโถส้วมมันก็ทิ้งหมดนั่นมันไม่ฟังเราอ๋อเจ้าค่ะคือคนพวกนี้เขาก็จะไม่ฟังพ่อแม่อยู่แล้วเจ้าค่ะเขาฟังเพื่อนเจ้าค่ะใช่ไหมเพื่อนว่าไงเอาอย่างนั้นเพือ่อนว่าดีเราว่าดี wa, เพื่อนว่าชั่วเราว่าชั่วแค่นั้นเองคือเขาไม่ฟังพ่อแม่ เขาฟังพ่อแม่ก็ดีถ้าพ่อแม่พาไปดี ค, คือเพราะว่าเนี่ยแหมมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะคุณดวงใ จ, จ ค, คื อ, พ, อพ่อแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆไม่รู้จักสอนลูก ค, คือไม่รู้จักห้ามลูกเสียจากบาปไม่รู้จักให้ลูกตั้งอยู่ในความดีพอมันโตมาแล้วเนี่ยจะไปสอ น, ม, นมันสอนไม่ได้หรอก ค, คุณไม่สอนมันตั้งแต่เด็กคุณไม่รู้จักที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีปล่อยให้ลูกเสียโูกมันยังเด็กเด็กเพิ่งไปบอกมันเลยเฮ้ยคุณคิดผิดแล้วเพราะพอโตขึ้นมาคุณอย่าหวังว่าคุณจะไปบอกมันได้ คนความดีเนี่ยคุณเนใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเรียนรู้กันเองได้นะเจ้ค่ะเกิดมาจากท้องแม่เพาะออกมาแล้วมันจะไปรู้อันนี้ดีอันนี้ช่วยไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเจค่ะมันมีคนประเภทที่ว่าต่อเมื่อได้เห็นต่อเมื่อได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเป็นคนดีได้มีคนประเภทนี้เจ้ค่ะแล้วก็มีคนประเภทหนึ่งที่ว่าถึงแม้จะเห็นถึงแม้จะได้ยินมันก็ยังเป็นคนช่วยอยู่ดีนะก็มีคนประเภทหนึ่งประเภทที่สามที่ว่าถ้าไม่ถึงแม้ไม่ได้เห็นถึงแม้ไม่ได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคนดีอยู่ดี ถามว่าคนแบบที่สามเนี่ยจะมาเกิดในท้องคุณเหรอมันก็อาจจะมีสิทธิ์แต่มันก็อาจจะสามสิบสามสิบนะหมายถึงหนึ่งในสามนคุณเตือนใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคนที่มันมันไม่ดีก็ได้ที่ว่าเราจะต้องสอนมันมันถึงจะเป็นคนดีขึ้นมาได้คือคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีโดยอัตโนมัติคุณเตือนใจนึกออกไหมถ้าถามว่าดูทีวีมันบอกเรื่องอะไรทีวีอะดูที่ดูถามหนังสือพิมพ์มันพูดเรื่องอะไรถ้าถามว่ารูกมันจะเป็นคนดีอสมัยนี้ เชีวยวค่ะมีแต่ข่าวรายร้ายเออมันข่าวรานะมันเห็นเป็นตัวอย่างนะชกค่ะจิตเราเนี่ยถ้าตริตรึกในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตจะต้องน้อมไปด้วยากันอย่างนั้นอย่างนั้นชกค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบ่งบอกถึงปัญหาในสังคมคุณเตือนใจว่าเฮ้ยสังคมนี้มันเรื้อรังกันทั้งหมดอยู่แล้วนะเปิดไปช่องไหนอ่ะคุณช่องไหนมีอะไรนะที่มันจะเป็น มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาทเบียดเบียนทั้งนั้นเลย ค, ค่ะรายการที่ดีๆอย่างรายการธรรมรารัตน์เนี่ยมีน้อยๆจุกซึ่งซึ่ ง, งมันจะต้องคอยให้มีรายการดีๆมากๆแล้วคคผลตรงนี้เมื่อจะค่อยๆดีขึ้นมันเป็นความเร้อรังการบ่งบอกที่ว่าเออเฮ้ยแมมในรายการต่างๆเราเราต้องปรับปรุงแลนะจุก ค, ค่ะแล้วก็ถ้ากลับมาที่ประเด็นที่ว่าพ่อแม่สอนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาก็ มีความรู้ในระดับหนึ่งนะที่เขาจะต้องพยายามที่จะสอนให้ลูกห้ามห้ามที่ลูกเสียจากบาปแต่ถ้าเขาจะมาสอนตอนนี้เขาจะต้องใช้วิธีการที่ที่ไม่ใช่เหมือนกับแค่บอกเฉยๆอาจจะต้องมีความซับซ้อนในเรื่องของกระบวนการต้องให้เพื่อนบอกแทนอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ น, นี้เพื่อนตรงนี้มันมันจะเชื่อใครไหมล่ะนะถ้า ม, มันก็ต้องมีคนที่เขาเชื่ออยู่ คนที่เคารพนับถืออยู่ถ้าคนที่เขาเคารพนับถือเชื่อมีศรัทธาในคนนั้นเนี่ยคนนั้นพูดอะไรเขาก็าเอาหมด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาคนที่เขามีศรัทธาที่จะเชื่อฟังแล้วก็คุยกันดีๆเซนมายว่าเฮ้ยเราให้ข้อมูลตรงนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ดีนะเราเริ่มทําสิ่งนี้เรามาทําสิ่งนี้เราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วถ้าบอกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ <Okay. S 2> คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงการปรองดองใช่ไหม <Okay. S 2> ที่ว่าเราต้องเริ่มจากคนที่พูดง่ายก่อน <Okay. S 2> แต่ในกรณีนี้เนีี่่ยเเเรราาาาต้อองงพูดจจกกคทขะฟัสน นั่น <Okay. S 2> คือหมายถึงว่าเราพูดถึงลูกใช่ไหมเ้าลูกจะทำยังไงให้ให้เขาฟังพ่อแม่เนี่ยพูดไม่ได้หรอกถ้าลูกไม่ฟังพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยต้องไปหาคนที่ลูกเขาจะฟังแล้วพูดกับคนนั้นซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเพื่อนสนิทนะเราก็ค่อยๆพูดกันแล้วก็คนที่มีจิตใจที่มีความคาดเคียดแค้นอย่างเงี้ยคุณตจัยจิตใจที่แบบว่าอผูกโกรธอยู่ตลอดเนี่ย น, นะถ้าเรายิ่งไปไปพูดแรงๆเนี่ย พูดรแรงๆนี่มันคือเหมือนคุณยิ่งใสไฟลงไปอืมจ้ะค่ะคือในห้องสมมุติห้องหนึ่งเต็ไมไปด้วยเชื้อเพลิงเนี่ยก๊ส LPG รั่วอยู่เนี่ยจ้ะค่ะเอาแค่ว่าประกายไฟนิดเดียวมันระเบิดตึมเลยจ้ะค่ะอ่าแต่ถ้าในห้องที่มีน้ําอยู่เนี่ยเราเร า, เรามีไฟแกบปับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาจ้ะค่ะนะเราเร า, เราจะดับได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดราจาอะไรเนี่ยเราก็พูดกันดีๆนะพูดด้วยจิตที่มีเมตตาพูดด้วยจิตที่มีเมตตาจิตในภายใน พูดสิ่งที่ถึงแม้จะเป็นความจริงถ้าพูดไปแล้วเขาจะเคืองเราอย่าพูดถึงแม้จะเป็นถูกเวลาแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะไม่พอใจเราก็ไปเลือกเวลาใหม่ถ้าเป็นเรื่องที่จริงเป็นคําที่อ่อนหวานคือพระเจ้าเคยพูดถึงวาจาห้าอย่างนะงที่ว่าพูดแล้วมันจะเคืองได้นี่ยคืออาจจะเป็นวาจาที่จริงหรือไม่จริงอ า, กการอาจจะเป็นถูกการหรือไม่ถูกการแะประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ นะหรือว่าเป็นพูดได้มีเมตตาจิตในภายในหรือไม่มีเมตตาจิตในภายในแล้วก็พูดด้วยคําหยาบหรือว่าคําสุภาพานะทั้งห้าคู่เนี่ยต่อให้เป็นคู่ที่ดีทั้งหมดนะเช่นว่าพูดด้วยวาจาสุภาพพูดถูกเวลานะพูดคำที่เป็นประโยชน์ด้วยนะมีจิตเมตตาด้วยนะแล้วก็เป็นคําพูดที่สุภาพเป็นคําพูดที่เป็นประโยชน์ถึงความจริงนะบางทีเขาก็ยังเคืองเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่จิตของเขาไม่ได้ดูที่คําพูด ว่าถ้าพูดไปแล้วจิตเขาจะขัดเคืองเราต้องหาวิธีการพูดใหม่ที่ไม่ให้จิตเขาขัดเคืองเจ้าค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะพูดที่จะทำอย่างันได้เราก็ต้องไปหาคนที่ทําได้เราก็ต้องพูดกับคนนั้นในลักษณะที่เขาจะไม่ขัดเคืองในคําพูดของเราเจ้าค่ะ่ะอืเจ้าคทีนี้อันนั้นเป็นส่วนของคุณ พ, <ม>พ่อคุณแม่นะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนโดดได้เมตตาที่จะสักคามาทีนี้โยมอยากจะขออนุญาตอ่กราบ นักมาสการเรียนถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าแล้วในส่วนของตัวเด็กๆเองนะเจ้าค่ะที่เป็นเยาวชนเนี่ยถ้าเปิดเรียนถึงข่า น, นั้นเนี่ยโยมเห็นก็จะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยที่มักจะเชื่อเพื่อนเฮตามเพื่อนไปนะเจ้าค่ะคือไหลไปตามสิ่งที่เพื่อนนำนั่นเองทีนี้ถ้าพระอาจารย์จะเมตตาให้สติแก่ บ, บรรดาน้องๆ เหล่านั้นบ้างแล้วเจ้าคะพูดในแง่ของตัวเขาเองซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันหรือว่าแม้แต่ตัวน้องน้องๆหลายท่านที่อาจจะฟังรายการประเอินมาฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยแล้วต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ย ควรจะวางจิตอย่างไรแล้วก็เอาธรรมะข้อไหนของอพระพุทธองค์มาปรับตัวเองดีเจ้าคะ่ะอันนี้โยมถามไปด้วยความหวังว่าจะมีน้องๆบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นฟัง อ, อยู่เจ้าคะ่ะผมว่าฟังอยู่นี้อาจจะไม่ใช่ว่าตื่นจากหัาฟังแต่อาจจะยังไม่ได้นอนมาฟังเจ <c oughs> ในรายการเราก็จะพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้าเข้าฟังอยู่จริงๆเนี่ยนะอย่างน้อยคุณคุณจะต้องทราบว่าเราจะต้องไม่ประมาทคือถ้าเรา เรามาทําอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยคือเราประมาทละคือเราเป็นคนที่ลืมแก่นะลืมว่าเอ้ยต่อไปเราจะแก่นะต่อไปเราจะเจ็บนะต่อไปเราจะตายนะต่อไ ป, อไปเราจะมีปัญหาต่างๆที่เราจะต้องเจอนะต่อไปเราจะต้องใช้เงินมากต่อไปเราต้องมีลูกต่อไปเราจะต้องทํานู่ น, ท, นนะทํานี่นะแล้วชีวิตทํำไมเราเป็นอย่างนี้เจ้ค่ะไอเรื่องที่เราจะเอาชนะกันนิดนิหน่อยหยเนี่ยมันเพิ่มแป๊บเดียวนะเจ้ค่ะคุณลาออกจากโรงเรียนก็คือจบแล้วคุณไปทํางานอย่างอื่นก็คือจบแล้วจ้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเป็น10ปีย0ปี นะคือมันแค่ช่วงสองสามปีนั้นเท่านั้นเองคุณเราออกไปคุณไม่ได้เกี่ยวห้องเขาคือจบแล้วคุณทํางานคุณเข้าวงการการทํางานคุณก็จบล้ค่ะจบจากเรื่องนี้ไปละเพราะฉะนั้นไอ้สองสามปีตรงเนี้ยคุณเห่าชีวิตมาเสี่ยงอย่างนี้นะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้คือคนพาเนี่ยคุณเดใจเราหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงนะสมมุติถ้าคุณฟังอยู่ถ้าคุณมีเชื้อแห่งความดีอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวก็เอาก็ทำไม่โตได้เจ้าค่ะนิดเดียวคุณใส่น้ําใส่ปุ๋ยพลนดินเข้าไปมันโตได้นะ เราได้ไอ้แล้วไอ้พวกชั่วๆมันก็ค่อยๆตายไปเองที่เราเคยเปรียบเทียบกับวัชพืชที่อยู่ในป่าสาระเนี่ยมีป่าสาระแห่งหนึ่งมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เขาก็ตัดวัชพืชออกไปนะบำรุงตัดต้นที่มันงองๆออกไปเหลือต้นดีๆนะรดน้ําใส่ปุ๋ยทําไปทําไปเนี่ยสามปีห้าปีสิบปีมันก็โตเป็นป่าสาระที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้แต่เช่นเดียวกันเรามีเชื้อแห่งความดีแม้นิดหนึ่งเราทําให้เจริญได้ ้องคิดดูสิแม่แม่พ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยตั้งแต่เด็กใช่ไหมอาจจะช่วงที่เราอายุน้อยๆ อ, อาจจะซนบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนที่เราจะเจอเพื่อนพวกนี้เนี่ยเรายังมีเชื้อความดีอยู่บ้างนะคุณเฉนใจจุกค่ะไม่งั้นคุณจะไม่มาเรียนได้ถึงความป่านนี้น ะ, ะยังน้อยยังมีความรู้ความเรียนความสามารถบางประการที่จ ะ, ะทําประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้นะเราทําให้ความตรงนี้จเจริญขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เจริญขึ้นมาเราต้องไม่ประมาทจุกค่ ะ, อ, ะอย่าประมาทในชีวิต ชีวิตนี่ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นเมื่อไหร่เหมือนกันนะในเมื่อช่วงชีวิตเล็กๆน้อยๆสองสาปีที่เรามีตรงเนี้เราฉกฉวยให้มากฉกฉวยให้มากนี่คือเอาประโยชน์ใส่ตัวเองให้มากเอาประโยชน์ใส่ตัวเองให้มากนี่หมายถึงหาความรู้หาความเรียนให้มากเพื่อที่จะได้เป็นบาดฐานในการที่เราจะเติบโตไปข้างหน้ า, า <paced> ในอนาคตของเราคือในอนาคตอย่างสมมติสิปีสิปีข้างหน้าคุณสนใจเขาไม่มาวัดคุณด้วยความสามารถที่คุณจะต่อยได้เก่งเขาไม่มาจะไม่มาวัดคุณในความสามารถที่คุณจะใช้ปืนได้ดี ถ้าคุณไม่ใช่ทหาร <foundation> เขาจะวัดความสามารถของคุณที่ว่าคุณสามารถวางอารมณ์ได้ดีไหมคุณจะเป็นเจ้านายคนนะมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจอ่ะแล้วคุณก็ด่าว่าด่ากราดปล่อยลูกน้องเนี่ยเหรอโอหให้ไม่ได้นะะเคขาไม่ได้วัดที่ตรงนั้นเขาไม่ได้วัดที่เกรดคุณด้วยซ้ําเกรดที่เรียนใโรงเรียนเกรดสามเกรดสี่เอบีซีดีเนี่ยสิบปียีสิบปีข้างหน้าเขาไม่ได้วัดตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะเราจะทำไงให้จิตเราไม่ประมาทอ่าเนอะ อันนั้นคือสิ่งที่บรรดาน้องๆที่เป็นเยาวชนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยคงจะต้องพึงสังวรตรงนี้ตรงที่พระเจ้านพิบุตรหลวงพโบได้เมตตาที่จะชี้แจงแนะนํามานะคะก็คิดว่าท่านที่รับฟังอยู่หรือว่าน้องๆที่รับฟังอยู่นะคะ<ม>ก็คงจะได้เก็บตรงนี้ไปคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ ไม่ได้นึกถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราต้องพลาดไม่ถึงกับชีวิตก็อาจจะพิกพิการไปซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะเจ้าค่ะที่ที่เราจะมาสละตนอย่างนั้นก็สู้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้ดีดีกว่านะเจ้าคะ่ะคื อ, ค, อคือมันเวลาที่เราเวลาทําตรงเนี้คือ ช, คชีวิตประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณตรใจคือถ้าเรา อาจะมองเห็นว่ามันยังมีประโยชน์ในอนาคตมากกว่าจค่ะทีนี้ว่ารบางทีที่คุณตัใจบอกว่าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเรียนเนี่ยค่ะตั้งหน้าตั้งตาเรียนบางทีมันเบื่อจะทํายังไงใช่ไหมจุ๊ซึ่งตรงนี้เราคิดว่าอาจจะคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้จุนะ๊บค่ะว่าเออความเบื่อความที่เราเจอกับสิ่งที่ ความเบื่อในเรื่องของตาหูจมูกนิ้วกายเนี่ยมันเป็นอะไรเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าจะสรุปในเนื้อหาที่เราคุยกันในวันนี้ก่อนเจ้าค่ ะ, ะคือเรื่องของความเาครียดแค้นเนี่ยก็จะต้องสรุปเป็นแต่ละในฐานะบุคคลล่ะเจ้าค่ะคือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจการทํำงานของจิตตรงนี้มันต้องแก้ที่เหตุนันคือเรื่องของการที่จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของผัสสะปัญหาด้วยแล้วก็ หานะสิ่งอื่นให้ทํานะที่จะหลีกเลี่ยงจากการที่จะพบปะเจอกันนะคนที่เป็น เ, เป็นพ่อเป็นแม่นะคุณจะต้องห า, าบุคคลที่พอเขาจะฟอรับฟังเราได้เจ้ค่ะแตนะ่ส่วนคนที่บุคคล น, นั้นเองนะคุณต้องเห็นว่าอนาคตของฉันจะต้องเป็นยังไงอยู่ที่ตัวฉันเองนะมันไม่ได้อยู่ที่พวกอื่นเราต้องมีเพื่อนดีคอยที่จะแนะนําเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการที่จะ เ, เราต้องคบคนดีนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าโดย ธรรมชาติของจิตมนุษย์เรานั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญเนี่ยพปุโนเคยได้สากฉามาก็คื อ, อมักจะน้อมไปในทางที่เราอยู่ใกล้สิ่งไหนก็จะเป็นเป็นในทางนั้นนะเจ้าค่<น>ะดังนั้นก็ต้องยึดถือสิ่งที่ดีงามตัวอย่างที่ดีงามรวมทั้งถ้าเผื่ออย่างไรก็คิดว่าไปอบรมธรรมะกับวัดปา่าดอนไฮโซนะเจ้าค่ะยม <ง S 2> คิดว่าจิตใจคงจะสงบขึ้นแล้วก็ อ, อนาคตของน้องๆก็คงจะไม่เสียไปโดยปล่าประโยชน์นะคะ ข้าพู้ฟังคะช้าวันนี้รายการธรรมารับปรุณก็ได้สักษาหรือสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญอภิบุโ น, โนนะคะซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการาหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติธรรมตามาพุทธวจนะของ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราพูดกันถึงปัญหาของบรรดาน้องๆนักเรียนดิสิตนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าเรียนในด้านของวิชาชีพซึ่งยังมีปัญหาให้เราได้เห็นกันในสังคมอยู่เรื่อยๆก็หวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็บรรดาน้องๆที่รับฟังรายการธรรมารับบ ร, รุนบ้างไม่มากขน้อยค่ะ สำหรับในช้าวันเช้านี้นะคะก็คงจะต้องอัมลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์เดชชนก็จะได้กล่าวขออนุญาตที่จะเรียนถามพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุโนถึงวิธีการที่จะแก้ไขอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่นให้ทราบแล้วนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเรามากราบน้ำมศการขอพระคุณและกราบลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุโนพร้อมกันเลยค่ะกราบน้ำมศการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะาสาธุเจ้าค่ะ